24. ่จำเป็นต้องตื่นบ่อยหรือไม่คนที่ตื่นไม่ใช่ตื่นตลอดเวลาไม่ต้องสนใจว่าจะตื่นได้เท่านั้นเท่านี้อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนะักมันเป็นแค่ต้นทางพอตื่นขึ้นมาตื่นบ่อยๆตื่นบ่อยๆได้เพราะหลับบ่อยๆถ้าหลับหนึ่งครั้งก็ตื่นหนึ่งครั้งหลงไปสิบครั้งก็รู้สึกตัวขึ้นมาสิบครั้งหลงขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวเรียกว่ารู้สึกตัวบ่อย จิตไหลไปหนึ่งนาทีแล้วจึงรู้ว่าหลงไปคิดต่อมา1ิวินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมา2วินาทีก็รู้แล้วจิตเราก็ตื่นถีขึ้นทีขึ้นมันไม่ได้ตื่นตลอดวันตื่นแล้วแวบเดี๋ยวก็ดับแวบอย่าไปกังวลเรื่องตื่นไม่ต้องตื่นเยอะแต่ให้ตื่นบ่อยๆไม่ต้องตื่นนานการที่จิตเผลอแล้วรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติโดยใช้จิตเป็นวิหารธรรม